พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่าไม่มีความสุขอันในน ด, ดนนขขนในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนัตติสันติปรังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบ ความสุขที่ได้จากเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านก็ซื้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้ความสุขที่ได้ตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นพระราชามาหากษัตริย์ก็ซื้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ได้ ความสุขที่ได้รับจากการยกย่องสรรเสริญเยือนยอจากบุคคลต่างๆจากสถาบันต่างๆก็ซื้อความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ความสุขที่ได้จากการได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะชนิดต่างๆเช่นได้แต่งงานกับ ดาราภา พ, พยนต์ได้แต่งงานกับนายแบบนางแบบได้แต่งงานกับคนที่มีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาหรือสวยงามในระดับที่เป็นระดับนางวานนางงามจักรวาลก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้แล้วก็ ความสุขต่างๆที่ได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นความสุขชั่วคราวไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบจะเป็นความสุขที่ถาวร น, นี่คือเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้ทรงสระละราชสมบัติแล้วก็ทรงออกไป บำเพ็ญจิตตภาวนาบำเพ็ญจิตใจทําจิตใจให้สงบให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองการที่จิตใจจะสงบได้ร่างกายต้องสงบก่อนร่างกายต้องสงบระ ง, งับจากการกระทําต่างๆ และอยู่ในสถานที่สงบที่เรียกว่ากายวิเวกที่สงบสงดัดห่างไกลาจากแสงสีเสียงห่างไกลาจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆผู้ที่ต้องการที่จะทำจิตใจให้สงบจึงจำเป็นจะต้องไปปรีกวิเวกเพื่อให้กายวิเวก คำว่าวิเวกก็คือสงบสงดัดวางเวงพออยู่ในสถานที่สงบสงดัดวิเวกกายก็วิเวกพอกายวิเวกแล้วการทําจิตให้วิเวกมันก็ง่ายมันไม่ยากเพราะไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจนั่นเองดังนั้นผู้ที่ได้พบกับความสงบ ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบจึงเป็นจึงมักเป็นผู้ที่ไปบําเพ็ญอยู่ในที่สงบสงดัดห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆน้อยมากที่จะมีคนที่ได้พบกับความสงบจากการอยู่ในบ้านในเมืองพระอรหันตสาวกทั้งหลาย รวมทั้งพระพุทธเจ้าเองนั้นต้องไปปีกวิเวกกันอยู่ในป่าในเขากันท้งนั้นถึงจะสามารถที่จะทำให้จิตสงบได้นี่คือการไปสร้างความสงบของใจจึงจำเป็นต้องไปอยู่คนเดียว ไปปรึกวิเวคในเบื้องต้นอาจจะต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก่อนเพื่อไปศึกษาเริ่มเรียนวิธีที่จะสร้างความสงบให้แก่ใจพอได้เริ่มศึกษาและได้เริ่มปฏิบัติจนรู้แนวทางของการปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบแล้ว ก็มักจะปลีกตัวออกไปจากสำนักของครูบาอาจารย์ไปปลีกไปหาสถานที่สงบสงัดอยู่ตามลำพังเพื่อที่จะได้มีเวลาบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่และไม่มีเรื่องราวต่างๆมาคอยรบกวนใจถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในวัดก็มักจะมี ภารกิจต่างๆที่จะต้องทำที่จะต้องคอยคิดคอยกังวลแต่ในเบื้องต้นก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องอยู่ต้องอยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์ก่อนเพื่อจะได้รู้จักวิธีที่จะทำจิตให้สงบพราะ รู้จักวิธีแล้วนำเอาไปฝึกผลอบรมจิตใจพอจิตได้ความสงบบ้างแล้วก็จะเห็นความสำคัญของการที่จะต้องไปปรีกวิเวกไปอยู่คนเดียวหรือถ้าอยู่วัดที่สงบเงียบไม่มีภารกิจการงานต่างๆก็ใช้ได้บางวัดนี้ท่านจะไม่ให้มีภารกิจอะไร นอกจากการบําเพ็ญจิตตะภาวนาการทําใจให้สงบเพียงอย่างเดียวถ้าเป็นวัดแบบนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเปีกวิเวกเพราะการอยู่ในวัดนั้นก็เป็นสถานที่วิเวกสงบอยู่แล้วนั่นเองผู้ที่ต้องไปเปีกวิเวกนั้นมักจะพบว่าวัดหรือสถานที่ที่ตนศึกษาและปฏิบัติอยู่นั้น มีกิจกรรมมากเกินไปไม่สามารถที่จะมีเวลาให้กับการบาเพ็ญจิตตภาวนาได้ท่านจึงต้องไปปีกวิเวกันไปหาที่สงบสงดัดแต่ก็ไม่ได้ไปแบบถาวรไปแบบไปไปม า, มาเวลาที่มีปัญหาหรือติดขัด ในการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะกลับเข้ามากราบปรึกษากับครูบาอาจารย์ช่วยแก้ไขช่วยแก้ปัญหาให้พอได้รับข้อแนะนำแล้วก็ออกไปปวิเวกต่อเรื่องของการของกายวิเวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะจะ ช่วยทำให้จิตวิเวกจิตสงบได้ง่ายแต่การไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวก็ยังไม่ได้ทำจิตให้สงบได้แบบอัตโนมัติเพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่คนเดียวสิ่งที่จะมาคอยรบกวนใจก็ยังมีอยู่คือไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ความคิดปรุงแต่งของตนเองนั่นแหละที่จะคอยรบกวนใจ ถ้าจะต้องการให้ความคิดปรุงแต่งนี้หยุดระงับลงไปได้จำเป็นต้องมีธรรมคือสติสตินี้เป็นธรรมที่จะสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ถ้าไม่สามารถหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ความสงบจะไม่ปรากฏขึ้นมา ดังนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบได้นอกจากการไปปรีกวิเวกไปหาสถานที่สงบสงัดห่างกายจากแสงสีเสียงต่างๆแล้วก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งให้หยุดคิดให้สักแต่ว่ารู้ ใจนี้มีสองหน้าที่ด้วยกันมีผู้รู้กับมีผู้คิดในการบำเพ็ญจิตตะภาวนาเพื่อความสงบนี้เราต้องการรั ง, งับผู้คิดให้หยุดคิดไม่ให้คิดให้เหลือแต่ผู้รู้เท่านั้นถ้าเหลือแต่ผู้รู้แล้วก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขถ้ามีผู้คิด ผู้คิดก็จะถูกอำนาจของกิเลสตันหาอาวิชชาดึงไปให้คิดไปในทางที่จะทำให้เกิดตันหาความอยากต่างๆเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเกิดความอยากในบุคคลนั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดความอยากในลาบยศสารเสริญพอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็จะไม่สามารถ อยู่ปรีกเว่เวกได้ความอยากนี้จะทำให้อยู่แล้วอึดอัดไม่สบายใจลำคาญใจงุดหงิดจนในที่สุดก็ต้องกลับไปสู่บ้านเมืองเพื่อที่จะไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกดินกายตามอำนาจของกิเลสตันหาความอยาก เช่นกามตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหานั้นการไปปีกวิเวกถ้าจะเกิดผลสำเร็จได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งสตินี้พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องว่าเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือสำคัญที่สุดทรงเปรียบความยิ่งใหญ่ของสติว่าเป็นเหมือนกับรอยเท้าช้างที่จะครอบรอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในป่าได้สัตว์ต่างๆในป่านี้จะไม่มีสัตว์ใดที่มีรอยเท้าใหญ่กว่ารอยเท้าช้างทาทั้งหลายนี้ก็เช่นเดียวกันไม่มีความยิ่งใหญ่เท่ากับ สติเพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้วทำต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้นั่นเองเช่นสมาธิความสงบนิ่งของใจจะไม่เกิดถ้าไม่มีสติแล้วเมื่อไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดเกิดไม่ได้แล้วก็เมื่อไม่มีปัญญาวิมุตติการหลุดพ้นก็จะไม่เกิด การบรลุมรรคผลนิพพานก็จะไม่เกิดการยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่เกิดอันนี้ต้องมีสติเป็นผู้นำดังนั้นผู้บำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพื่อให้ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบอย่างถาวร จึงจำเป็นต้องเจริญสติก่อนที่จะเจริญสติก็ควรจะปีกวิเวกเพราะเวลาที่อยู่ในที่มีเหตุการณ์ต่างๆมีเรื่องราวต่างๆจะไม่สามารถเจริญสติได้นั่นเองเพราะจิตจะต้องคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆงานการต่างๆบุคคลต่างๆ พ เ, เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ต้องมีความคิดปรุงแต่งว่าจะต้องปฏิบัติกับเขาอย่างไรดีเอจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องไปหาอะไรมาบ้างจะต้องซื้ออะไรบ้างจะทําอะไรกับเขาในกรณีนั้นหรือในกรณีนี้เอจิตก็จะต้องคิดหมุนเตี้วอยู่ตลอดเวลาจะหาเวลาให้มันหยุดคิดไม่ได้เอ ผู้ที่ต้องการจะหยุดความคิดเพื่อทําใจให้สงบจึงจำเป็นต้องไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวถ้าทำงานก็ต้องพักงานเรือลาออกจากงานเพราะถ้าไปทํางานจิตก็จะต้องคิดเกี่ยวข้องกับการงานต่างๆก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหยุดความคิดได้แต่ถ้าไม่มีการ ทำงานไม่มีความรับผิดชอบกับใครการไปอยู่คนเดียวก็จะทำให้ไม่ต้องคิดถึงใครไม่ต้องคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆการที่จะเจริญสติเพื่อหยุดความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายนี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้บำเพ็ญจิตตภาวนาผู้ปรารถนาความสงบ ผู้ปรารถนาความสุขที่เกิดจากความสงบจําเป็นที่จะต้องไปปรีกวิเวกอยู่คนเดียวเพื่อที่จะได้ควบคุมความคิดนี้เองหยุดความคิดหยุดผู้คิดให้เหลือแต่ผู้รู้เพราะถ้าผู้คิดหยุดแล้วเหลือแต่ผู้รู้ก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขนั่นเองผู้คิดนี้ อยู่ภายใต้อำนาจของอวิชากิเลสตัณหาถ้าคิดก็มักจะคิดไปในทางกิเลสตัณหาคิดไปในทางความอยากเช่นมักจะคิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระกันอยากจะดื่มกาแฟอยากจะดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นชนิดนี้อยากจะรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่มาถือศีลกันมา งดการกินอาหารการดื่มอะไรต่างๆกันแต่ถ้าไม่มีสติจิตมันก็จะคิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่าง ๆ, ๆในรูปแบบของขนมนมเนยของเครื่องดื่มต่างๆของอาหารต่างๆจึงทำให้การบำเพ็ญ น, นี้ทุกทรมานยากลำบากเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วมันทรมานใจนั่นเองแล้วไม่สามารถ เดิมหรอรับประทานตามความอยากได้เช่นผู้ที่ถือศีลแปดจะไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วนพอตกตอนบ่ายนี้ถ้าไม่มีสติคอยควบคุมความคิดนี้เดี๋ยวก็คิดไปหาอาหารต่างๆพอคิดแล้วก็ไม่ได้ก็เกิดความหิวโหวยขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้รับประทานก็จะทรมานใจ ก็จะไม่อยากที่จะมาบำเพ็ญมาปฏิบัตินี่เป็นเพราะว่าไม่มีสติคอยควบคุมความคิดปล่อยให้คิดไปกับรูปเสียงกลิ่นรสปล่อยให้คิดไปถึงอาหารขนมนมเ น, มนยต่างๆหรือคิดไปเรื่องการหาความสุขจากการบันเทิงมหรสพต่างๆคิดถึงละครที่เคยดู คิดถึงสถานที่เคยไปท่องเที่ยวคิดถึงบุคคลที่ได้รับความสุขจากเขาก็จะมักจะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ถ้าไม่มีสติคอยควบคุมความคิดถ้าปล่อยให้คิดแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาใจก็ร้อนขึ้นมาอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนถูกไฟรนก้น พอมีไฟลนก้นแล้วก็อยู่ไม่ได้นั่งอยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องขยับหนีนี่คือสาเหตุที่ทำไมจะต้องไปเปกวิเวกแล้วก็ไปเจราญสติกันสติจึงมีความสำคัญอย่างมากพอไปเปกวิเวกแล้วสิ่งที่จะระ ง, งับความคิดปรุงแต่งความฟุ้งซ่านต่างๆได้ก็คือสติระ ง, งับความอยาก ต่างๆได้ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นการระ ง, งับอย่างถาวรแต่ก็เป็นการระ ง, งับชั่วคราวที่จะทำให้จิตมีความสุขและมีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตันหาต่อไปผู้ที่บำเพ็ญอย่าไปคิดว่าจะใช้ปัญญาในการที่จะทำจิตให้สงบได้ เพราะถ้าใช้ปัญญาได้ก็ควรจะสงบไปนานแล้วที่ใช้ปัญญาไม่ได้ก็เพราะว่าไม่สามารถดึงจิตมาคิดในทางปัญญาได้เพราะตอนนี้ความคิดของจิตนี้อยู่ภายใต้อำนาจของอวิชากิเลสตัณหานั่นเองคิดทีไรก็จะคิดไปทางกามตัณหาทางภาวะตัณหาและทางวิภาวะตัณหาเสมอ ยากต่อการที่จะมาคิดเพื่อระ ง, งับการมตัิหาภาวะตันหาและวิภวะตันหาเช่นเวลาถือศียรแปดพอตอนเย็นนี้เวลาคิดจะคิดถึงอะไรกันก็จะคิดไปในทางกิเลสคิดไปถึงอาหารต่างๆพอคิดถึงอาหารแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาความหิวขึ้นมาถ้ามีปัญญา จะไม่ให้คิดไปในทางกามรรติหาจะให้คิดไปในทางระ ง, งับกามรรตหาคิดอย่างไรถึงจะคิดเพื่อระ ง, งับกามรรติหาก็คิดถึงอาหารที่อยู่ในปากอาหารที่อยู่ในท้องออาหารที่อยู่ในลใําไส้อาหารที่ถ่ายออกมานถ้าคิดแบบนี้ก็เรียกว่าปัญญาแต่มีใครมีปัญญาแบบนี้กันบ้าง ไม่มีเวลาคิดเวลาถือศีลแปดกันแล้วเวลาตอนเย็นนี้คิดถึงอะไรกันก็คิดถึงขนมนมเนยคิดถึงอาหารอยู่ในจานแต่ไม่เคยคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากเวลาที่เคี้ยวขบผสมกับน้ำลายหรือเวลาที่กลืนเข้าไปในท้องหรือเวลาที่อยู่ในลำไส้เวลาที่ถ่ายออกมา เวลาที่อเจียนออกมาอาหารแบบนี้ไม่เคยคิดกันเลยแล้วจะไปเรียกว่ามีปัญญาได้อย่างไรถ้าคิดถึงแต่อาหารที่น่าดูน่ารับประทานอาหารที่อยู่ในจานอาหารที่เขาโฆษณาตามตามร้านอาหารต่างๆถ้านึกถึงอาหารเหล่านั้นมันก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาแต่ถ้าเป็นปัญญา ก็จะไม่คิดถึงอาหารเหล่านั้นทุกครั้งที่คิดถึงอาหารก็จะคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากบ้างหรืออาหารที่อยู่ในท้องบ้างหรืออาหารที่ถ่ายออกมาจากลาไส้บ้างนี่คือปัญญานี่เป็นการแสดงตัวอย่างให้ท่านให้เห็นว่าอย่าไปคิดว่าจะใช้ปัญญามาอบรมจิตให้สงบได้เลย พ็ใช้ถ้าไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนจิตจะไม่มีวันที่จะคิดแบบนี้คือคิดมุมกลับไม่เป็นนั่นเองจะคิดจะคิดไปในมุมของกิเลสเสมอจะไม่คิดถึงมุมกลับกันถ้าเป็นปัญญาแล้วจะต้องคิดถึงมุมกลับถ้าคิดถึงแฟนก็ให้คิดถึงความตายของแฟนถึงจะเรียกว่าปัญญา หรือคิดถึงสภาพร่างกายที่ไม่น่าดูของแฟนเวลาที่ร่างกายแฟนตายไปแล้วพอคิดถึงแฟนทีไรให้คิดถึงซากศพของแฟนอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปัญญาถ้าไม่คิดแบบนี้แล้วไม่มีวันที่จะใช้ปัญญาที่จะทำจิตให้สงบได้มันยากกว่าการใช้สติการใช้สติก็เพียงแต่ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไป แข่งกับความคิดที่จะคิดถึงอาหารหรือคิดถึงบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราไม่หยุดบริกรรมความคิดถึงบุคคลต่างๆถึงอาหารชนิดต่างๆมันก็จะระงับหายไปแล้วจิตก็จะสงบจะเย็นจะสบายนี่คือ เหตุผลว่าทําไมสติจึงเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าธรรมทั้งปวงเพราะว่าธรรมต่างๆนี้ยังเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีสติกิเลสตัณหาก็จะเอาความคิดไปในคิดไปในทางกิเลสตัณหาเสมออวิชชาปฏิยาสังขาราให้คิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้คิดไปหาลาภยศสรรเสริญ ให้คิดไปหาความสุขจากตาหูจากรูปเสียงกลิ่นรสจากบุคคลนั้นบุคคล น, นี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ชีวิตของพวกเราจึงมีเต็มไปหมดเรื่องของลาบยศสรรเสริญเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑเรื่องของขาวของต่างๆในบ้านเรานี้มีเต็มไปหมดมีรอบตัวแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นความสึกปลอม มันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความสุขเดียวเดียวเวลาได้มาก็ดีออกดีใจแล้วหลังจากนั้นมันก็หายไปทำให้ต้องอยากได้ของใหม่ๆขึ้นมาอยู่เรื่อยๆได้มามากเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้มาแล้วก็หมดไปความสุขนั้นก็หมดไปก็ต้องมาหาใหม่อยู่เรื่อยๆเช่นเสื้อผ้าซื้อมากันกี่ชุดแล้วเวลาเห็นที่เขา แขวนอยู่ในร้านก็อยากได้เพราะคิดว่าได้แล้วจะมีความสุขพอซื้อแล้วก็มีความสุขเดียวๆพอเอากลับมาเข้าบ้านก็เอาเข้าไปในตู้แล้วดีไม่ดีบางทีไม่ได้ใส่เสียได้ซ้าไปอันนี้ก็เป็นความคิดของกิเลสตันหาจึงจึงพูดได้เลยว่าพวกเรานี้ไม่มีปัญญากันปัญญาที่จะหยุดกิเลสนี้ไม่มี มีแต่ปัญญาที่จะรับใช้กิเลสอย่างนี้มีเก่งหาเงินอย่างไรหาลาบหายศกันอย่างไรหาแฟนกันอย่างไรแย่งผัวแย่งเมียกันอย่างไรแย่งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแย่งตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆนี้แย่งกันอย่างไรอันนี้ ม, มีมีปัญญาแบบนี้ปัญญาที่เอามารับใช้กิเลสตัณหานี่มีกันมาก แต่ปัญญาที่จะมีไว้สำหรับมาฆากิเลสตัณหานี้แทบจะไม่มีเลยปัญญาที่มาฆากิเลสตัณหาก็คืออะไรก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมองไม่ไม่คิดไม่ถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยเห็นอะไรก็เป็นนิจจังสุขขังอัตตาไปหมดเนี่ยทำไมไม่คิดอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างเวลาอยากได้ลาบยศสรรเสริญสุขทำไมไม่คิดว่ามันเป็นทุกข์ันบ้าง ทำไมไม่คิดว่ามันเป็นของชั่วคราวกันบ้างทําไมไม่คิดว่าเวลาที่จากกันเวลาที่ไม่มีมันทําให้เราทุกทรมานกันขนาดไหนคิดไม่ออกปัญญาไม่มีมีแต่ปัญญาของกิเลสปัญญาที่จะรับใช้กิเลสว่าไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีจะทํายังไงถึงจะได้มันมาก็หาวิธีการต่างๆเอไม่ด้วยเล่ก็ด้วยกลน ต้องหามาพออยากได้อะไรแล้วต้องหามาจนได้ถ้าหาโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็ต้องหาด้วยวิธีทุจริญเช่นเลือกตั้งเขาห้ามไม่ให้ซื้อเสียงกันถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้ถ้าอยากได้ก็ต้องซื้อเสียงกันอันนี่ก็ปัญญาของกิเลสปัญญารับใช้กิเลสให้ไปหาวิธีที่จะทําให้ได้สิ่งที่ตนเองอยากได้ขึ้นมา นี่คือปัญญาของพวกเรามันมีอยู่แบบนี้ไอ้ปัญญาที่จะฆ่ากิเลสที่จะทำใจให้สงบกันนี้ไม่มีถ้ามีบางนี้ใจของพวกเราสงบกันไปนานแล้วดังนั้นอย่าไปหลงคิดว่ า, เ, าเราจะสามารถใช้ปัญญามาทำใจให้สงบได้ปัญญาก็เป็นปัญญาแป๊บเดียวเวลาที่เราได้อ่านได้ฟังได้ยินว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราก็เราก็รู้ว่า อ, อ่อทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแต่พอเกิดตัณหาความอยากขึ้นมานี่ยความคิดที่ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรานี้ไม่รู้หายไปไหนหมดกลายเป็นอยากจะให้เป็นของเราอยากจะให้อยู่กับเราอยากจะให้ความสุขกับเราทันทีดังนั้นจงเชื่อพระพุทธเจ้าเต่ดจงมาสร้างสติกันก่อน มาหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางกิเลสตัณหาก่อนถ้าเราสามารถหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางกิเลสตัณหาได้แล้วสามารถหยุดอวิชชาปัจจยาสังขาราได้แล้วขั้นต่อไปเราก็เอาธรรมมาปัจจยาสังขารามาใช้เอาความคิดที่พระเจ้าทรงสอนให้เราคิดมาใช้เช่นให้คิดถึงอสุภะหรือเรื่อยๆคิดถึง ความสปกปรกความน่าเกลียดของร่างกายคิดถึงความ ส, สปกปรกสกปรกความน่าเกลียดของอาหารคิดถึงความตายคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงการพัดพากจากกันอันนี้คือปัญญาที่เราเรียกว่าธรรมะธรมะอวิธรรม ะ, รรมะปัจยาสังขาราถ้ามีธรรมะให้คิดไปในทาง ธรรมะแล้วจิตก็จะปล่อยวางจิตก็จะระ ง, งับตันหาความอยากต่างๆพอระ ง, งับปัญหาตันหาความอยากต่างๆได้จิตก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขสาเหตุที่จิตไม่สงบ ก, ก็เพราะว่ามีตันหาคอยผลักดันให้คิดไปในการไปในทางตันหามียวิชาคอยผลักดันให้คิดไปในทางตันหานี้เอง เราจึงต้องมาใช้สติหยุดอวิชชาปัจจยาสังขารานี้ก่อนหยุดความคิดปรุงแต่งที่จะคิดไปตามกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวตัณหาถ้าเรามีคำบริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยๆจิตก็จะไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกดลดิ่นรสไปคิดถึงอะไรต่างๆที่จะทําให้เกิดกามตัณหาภาวตัณหาและวิภาวะตัณหาขึ้นมาได้นั่นเอง ไม่คิดแล้วเวลานั่งเฉยๆจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้รวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้หยุดความคิดปรุงแต่งได้อย่างเต็มที่เหลือแต่สักแต่ว่ารู้ผู้คิดหยุดคิดเหลือแต่ผู้รู้เพียงผู้เดียวแล้วจิตก็จะเย็นสบายเป็นอุเบกขาไม่มีความรักความชางังความกลัวความหลงไม่มีความโลภความโกรธต่างๆ ไม่มีตัณหาต่างๆแต่มันเป็นสภาพชั่วคราวเป็นความสงบชั่วคราวพอกำลังของสติที่ผักดันให้จิตเข้าไปสู่ความสงบนั้นอ่อนลงกำลังของกิเลสตัณหาก็จะผักดันให้จิตถอนออกมาออกมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ออกมาคิดปรุงแต่งต่าง ๆ, ๆ สมาธินี้เป็นการเป็นการกดความอยากต่างๆกดกิเลสตัณหาไว้ชั่วคราวท่านเปรียบเหมือนกับหินทับหญ้าเอสมาธินี้เป็นเหมือนหินที่ทับหญ้าไว้เวลาที่เอาหินไปทับหญ้าหญ้านี้จะงอก ง, งามขึ้นมาไม่ได้แต่หญ้านี้ไม่ตายด้วยการเอาหินไปทับหญ้าไว้เวลาเอาหินออกจากหญ้า ทิ้งไว้สักพักหนึ่งพอได้น้าค้างได้น้ำเดี๋ยวยาก็จะงอกขึ้นมาใหม่อันนี้จึงจำเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาต่อไปพอเรามีความสงบเราหยุดความคิดที่ให้คิดไปในทางอวิชชาปัจจยาสังขาราได้แล้วขั้นต่อไปเราก็สามารถที่จะสั่งให้มันคิดไปในทางธรรมะธรมาปัจจยาสังขาราได้ คือให้คิดไปในทางธรรมให้คิดไปในทางอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาให้คิดไปในทางอสุภะให้คิดไปในทางอาหาเรปติกกลาสัญญาถ้าเราหยุดความคิดได้ <osaic> เราก็จะมีกำลังสั่งให้มันคิดไปในทางปัญญาได้แล้วแต่ถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้เราจะไม่สามารถสั่งให้มันคิดไปในทางปัญญาได้ เพราะกิเลสมันจะไม่ยอมให้เราคิดนั่นเองมันจะคิดไปในทางกิเลสเสมอจะคิดว่าทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอัตตาทุกอย่างน่าดูน่าชมน่ารับประทานน่ารักน่าไข่น่าโลภน่าโกรธน่าหลงน่าอยากมันจะพาให้คิดแบบนี้ไปเราจึางต้องใช้สติมาหยุดความคิดต่างๆเพื่อทำจิตให้สงบ เพราะว่าเวลาจิตสงบนี้จิตก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอจะทำให้ไม่หิวโหวยเหมือนกับจิต ท, ที่ไม่สงบพอเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาจิตก็สามารถต้านทานกำลังของกิเลสตัณหาได้เพราะมีความอิ่มอยู่ในใจแล้ว <Yeah. S 1> ไม่เหมือนกับจิต ท, ที่ไม่มีสมาธินี้ไม่มีไม่มี ความอิ่มเลยมีแต่ความหิวโหวยอยู่ตลอดเวลาเพราะกิเลสตัณหาบอกให้ไปหาอะไรมาปั๊บก็วิ่งไปทันทีเลยเปิดตู้เย็นทันทีเปิดทีวีทันทีเพราะหิวโหวยเพราะไม่มีความสุขภายในใจเพราะไม่มีความสงบไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบไว้มาต้านกาลังของกิเลสตัณหานั่นเอง ดันั้นพอเราได้รับความสงบได้รับความสุขจากสมาธิแล้วเราก็ต้องเจริญปัญญาเป็นขั้นต่อไปเราต้องสอนใจให้คิดไปในทางธรรมะคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดไปในทางอสุภะคิดไปในทางอาหาเลปฏิกูลสัญญาแล้วเราก็จะสามารถระ ง, งับความอยากรับประทานอาหารตาม ตามความอยากได้ถ้าจะรับประทานก็รับประทานตามความจำเป็นเพราะยังต้องดูแลธาตุขันธ์คือร่างกายนี้อยู่เพราะร่างกายนี้ยังเป็นประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นถ้ายังไม่บรรลุถึงทำขั้นสูงสุดก็ยังต้องมีร่างกายไว้สำหรับใช้ในการปฏิบัติธรรม ถ้าได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วถ้ามีความเมตตากรุณามีความสงสารต่อสัตว์โลกที่ยังมืดบอดที่ยังอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหา<ๆ>ก็จะใช้ร่างกายนี้เอามาเผยแผ่สั่งสอนเอาธรรมะที่ได้บรรลุมาเผยแผ่สั่งสอน<ๆ>เพื่อให้ผู้ที่หูหนวกตาบอดจะได้มีแสงสว่างแห่งธรรมนำพาชีวิตให้ไปสู่ ความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็ยังต้องใช้ร่างกายอยู่เช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารทั้งหลายท่านก็ยังรับประทานอาหารกันอยู่แต่ท่านไม่ได้รับประทานด้วยความอยากท่านรับประทานเหมือนรับประทานยาถึงเวลาก็รับประทานมีอะไรก็รับประทานได้ไม่จูจจ้จี้จุกจิกไม่เลือกอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ แล้วก็ไม่รับประทานมากจนเกินไปรับประทานพอรู้สึกอิ่มก็จะหยุดทันทีเพราะจะรับประทานไม่ลงสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาถ้าอยากจะฆ่ากิเลสตรณหาทางเรื่องของการรับประทานอาหารก็ต้องรับประทานแบบตามมีตามเกิด เช่นไปร้านอาหารถ้าเด็กมาถามว่าจะรับประทานอะไรก็บอกว่าอะไรก็ได้เอามาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารับประทานตามความจำเป็นไม่ชู้จิกจุบจิ ก, จกไม่ได้รับประทานเพื่อดรสชาติของอาหารไม่ได้รับประทานเพื่อความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานแบบรับประทานยา นอกจากนั้นแล้วเวลาที่ก้าวอาหารมาให้แล้วก็ให้ขอขอภาชนะสักใบใหญ่ๆเอาหารทั้งหลายที่เราจะรับประทานที่จะไปรวมกันในท้องนี้ให้มันรวมอยู่ในภาชนะอันเดียวกันก่อนแล้วก็คนมันคุกมันเข้าไปให้เหมือนกับอาหารที่จะเข้าไปอยู่ในท้องแล้วก็รับประทานมันเข้าไป ถึงจะบอกได้ว่านี่รับประทานด้วยความจําเป็นจริงๆไม่ได้รับประทานด้วยความอยากบางคนอาจจะหลอกตัวเองว่าไม่ได้รับประทานด้วยความอยากแต่ยังสั่งอาหารชนิดนั้นชนิดนี้อยู่เวลารับประทานก็ต้องเลือกว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังจะมารวมกันไม่ได้จะมาอยู่ในจานเดียวกันไม่ได้จะมาผสมกันไม่ได้ของหวานกับของกาวจะมาเปรอะเปื้อนอย่างนี้ไม่ได้ ถ้าอย่างนี้ก็ยังรับประทานตามตันหากิเลตันหาอยู่ถ้าจะรับประทานแบบธรรมก็เอามันมาคุกกันเลยเอามาคนกันเลยเพาเดี๋ยวเวลามันเข้าไปในท้องมันจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ไปคุกไปคนกันอยู่ในท้องซึ่งไม่น่าดูกว่าตอนที่มันอยู่ในชามที่เราคุกเสียเลยซ้ําไปไม่เชื่อเวลาอาเจียนออกมาไปดูใช่ไหมมันน่ามันน่ารับประทานเลยนอกจากอาหารแล้วยังมี น้ำลงน้ําลายน้ําย่อยอะไรต่างๆผสมมาอีกด้วยนี่คือตัวอย่างของการใช้ปัญญาเพื่อฆ่ากิเลสอย่าไปใช้ปัญญาเพื่อรับใช้กิเลสใช้ปัญญารับใช้กิเลสใช้ยังไงก็เปิดหาหนังสือดูเปิดอินเทอร์เน็ตดูว่าร้านอาหารอร่อยอยู่แถวไหนบ้างอันนี้เรียกว่าใช้ปัญญารับใช้กิเลส พวกเรานี่มีปัญญารับใช้กิเลสกันเก่งหาสถานที่เที่ยวก็เก่งหาสถานที่กินก็เก่งหาสถานบันเทิงต่างๆก็เก่งกดปุ๊บได้ปั๊บเลยรู้เลยว่าจะไปที่ไหนแต่จะเอาปัญญามาฆ่ากิเลสนี้หาไม่มีเพราะว่าเราไม่เคยคิดไปในทางปัญญากันเราคิดแต่ในทางของกิเลสกันนั่นเองเราจรึงไม่มีปัญญากัน เราต้องมาหาครูบาอาจารย์หาผู้ที่มีปัญญาเราถึงจะรู้ว่าปัญญานั้นเป็นอย่างไรกันถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ลองไปศึกษาในศาสนาอื่นไม่มีศาสนาไหนเขาสอนแบบนี้เขาไม่ได้สอนให้พิจารณาสุภากันเขาไม่ได้สอนให้พิจารณาความเป็นปฏิกูนของอาหาร เขาไม่ได้พิจารณาสอนให้พิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้รวมทั้งสังขารร่างกายของพวกเรานมีแต่คิดว่าจะอยู่ไปยัง่งยืนไปเรื่อยๆนี่คือเรื่องของปัญญาที่จะตามมาหลังจากที่เรามีสมาธิแล้วหลังจากที่เราหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางกิเลสตัณหาแล้วเราก็จะมีกําลัง ที่จะบังคับให้ใจคิดไปในทางทางปัญญาทางธรรมะได้แต่ถ้าเรายังไม่มีกำลังที่จะหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางกิเลสได้อย่าไปฝันเลยว่าจะคิดไปในทางปัญญาได้ไม่มีวันขนาดหยุดความคิดของกิเลสยังหยุดไม่ได้ล้วจะดึงความคิดไปคิดในทางปัญญาได้อย่างไรนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้จเจริญสติก่อน ให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่โกหกไม่หลอกลวงแต่ว่าสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิจะไม่เกิดปัญญาจะไม่เกิดวิมุตติวิมุ ต, มติหลุดพ้นจะไม่เกิดสตินี้ถ้าเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันนี้ก็เหมือนกุญแจรถยนต์ถ้าไม่มีกุญแจรถยนต์นี้จะไปเปิดรถได้ไหเปิดประตูรถได้ไไปสตาร์ทเครื่องได้หรือเปล่า ไปขับให้มันพาเราไปไหนมาไหนได้หรือเปล่าพราะกุญแจหายทำไงเดือดร้อนกันแล้วสิอันนี้ก็เหมือนกันจิตก็ไปเหมือนรถยนต์จิตจะไปนิพพานได้จิตก็ต้องมีกุญแจสตาร์กุญแจกสตาร์จิตก่อนสติเนี่ยเป็นตัวที่จะผลักดันให้จิตไปทางนิพพานได้เพราะจะผลักดันให้ไปสร้างสมาธิแล้วผลักดันให้ไปสร้างปัญญา พอมีสติมีสมาธิมีปัญญามันก็จะไปมันก็จะฆ่ากิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้พอกิเลสตัณหาที่มีอยู่หมดไปภายในใจวิมุตติคือการหลุดพ้นก็จะปรากฏขึ้นมามรรคผลนิพพานชั้นต่างๆขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดนี่คือ ความสำคัญของสติอย่ามองข้ามคำว่าพุโทโธคำเดียวนี่มันจะมองแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าราคาอะไรเลยทำไมมันถึงมีประโยชน์อย่างมหาศาลอย่างนั้นก็ดูกุญแจดอกเล็กๆดอกเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะมีคุณค่าราคาอะไรเลยแต่ทำไมมันสามารถที่มันมันทำไมจึงมีความสาคัญอย่างมากเวลากุญแจหายนี่เป็นยังไงถ mm hmm. ้ารถก็ เปิไม่ได้ขับไม่ได้รถจะราคาแพงขนาดไหนแพงกว่าราคากุญแจกี่ร้อยกี่พันเท่าก็สู้ความสําคัญก็สู้กุญแจไม่ได้เราจึงพยายามรักษากุญแจกันยิ่งกว่าอะไรกลัวกุญแจหายกันเวลาจะไปไหนนี่ต้องคอยดูเสมอว่ากุญแจอยู่ที่ไหนถ้าเรามีสติแบบนี้ก็จะดีครับ ถ้าเราคอยควบคุมคอยติดตามดูว่าพุทโธเราตอนนี้หายไปไหนหรือเปล่าให้เราคิดถึงพุทโธว่าเหมือนกับกุญแจรถเถิดถ้าเราอยากจะขับรถไปไหนขับจิตให้ไปถึงพระนิพพานเราต้องมีพุทโธเพื่อเปิดเปิดทางให้กับจิตเพื่อที่จะได้เดินทางไปสู่พระนิพพานได้ด้วยการสร้างสมาธิด้วยการสร้างปัญญาขึ้นมานี่คือความสําคัญของสติ ถ้ามีสติแล้วสมาธิจะตามมาอย่างง่ายได้ก่อนที่เคยมีสติแล้วนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีหรือบางทีไม่ต้องนั่งสมาธิเลยอย่างพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยมีสติอยู่แล้วพออยู่คนเดียวพอไม่มีใครมาห้อมร้อมกายวิเวกปับ๊บจิตก็วิเวกจิตก็สงบทันทีเลยเพราะท่านเคยมี สติมาติดต่อมาจากพบก่อนชาติก่อนท่านเคยบำเพ็ญเคยมีสมาธิอยู่แล้วพอจิตวิเวกพอกายวิเวกปั๊บจิตก็จะวิเวกทันทีเมื่อก่อนนี้ท่านต้องอยู่กับคนนั้นคนนี้มีเค้อนางสนมกำนันมีข้าราชบริพารคอยมารับใช้กิเลส ต, ตัณหาของท่านกิเลสตัณหาเลยไม่มีเวลาที่จะหยุดทํางานพอไม่มี ถ้าราชบริพารมาห้อมร้อน ม, มาคอยรับใช้ปั๊บกิเลสตัณหาก็เลยไม่สามารถทํางานได้เพราะกิเลสตัณหาหยุดปับ๊บเนี่ยจิตก็สงบขึ้นมาทันทีนี่คือความสำคัญของสติถ้ามีสติแล้วนั่งสมาธิห้านาที10นาทีก็สงบบางคนบริกรรมไม่ถึงห้านาทีมาบริกรรมนาทีสองนาทีมันสงบเข้าไปแล้ว นี่แสดงถึงกําลังของสติว่ามันมีมากขนาดไหนถ้าเราบริกรรมแล้วมันยังไม่สงบก็แสดงว่ามันไม่บริกรรมอย่างเดียวมันบริกรรมแล้วมันก็คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้วิ่งไปวิ่งมามันก็เลยไม่สงบถ้ามันอยู่กับคําบริกรรมอย่างเดียวรับรองได้ว่าหนาทีมันก็สงบได้ ดังนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้นี้เราต้องมีสติก่อนเราต้องหมั่นเจริญสติให้มากๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้ให้พุโทโธไปเลยบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปควบคู่กับการกระทาอะไรต่างๆจะทําอะไรก็ทําไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดกับพุโทโธไปเช่นอาบน้ำล้างหน้าล้างตาแต่งเนื้อแต่งตัวนี่มันไม่ต้องใช้ความคิดใช้บริกรรมพุโทโธ เพราะถ้าเราไม่บริกรรมพุโทโธมันจะไปคิดถึงเรื่องต่างๆสังเกตดูเวลาที่เราอาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวนี่เราคิดถึงเรื่องอื่นหรือเปล่ า, าคิดอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราอย่าให้มันคิดแบบนั้นพุโทโธพุธโทโธหยุดมันแต่เวลาทํางานนี้ต้องใช้ความคิดก็หยุดพุโทโธได้เช่นเวลาจะคิดบัญชีนี่มันถ้าพุโทโธมันคิดไม่ได้รายรับรายจ่ายนี่มันต้องใช้ความคิด แต่ความคิดแบบนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะมันเป็นความคิดเฉพาะกิจคิดเท่าถึงคิดตามความจําเป็นมันไม่เหมือนกับความคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันนี่มันคิดไปได้ทั้งวันทั้งคืนอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อยากจะไปนู่นอยากจะมานี่โอ้ยมันคิดไปได้ทั้งวันทั้งคืนอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้มันความคิดแบบนี้อย่าปล่อยให้มันคิดใช้พุทโธพุทโธหยุดมัน พยายาพุทธโธพุทธโธไปทั้งวันแล้วเวลาว่างมีเวลาว่างก็อย่าไปดูทีวีอย่าไปคุยกันอย่าไปเล่นกันไปนั่งในห้องทํางานของเราหรือไปนั่งในห้องน้ําก็ได้แล้วก็ไปนั่งพุทธโธพุทธโธนั่งสมาธิจะได้ประโยชน์มากกว่าที่จะมาดูหนังสือพิมพ์ดูหนังสือแฟชั่นดูอะไรต่างๆพอดูแล้วก็เกิดกิเลสตัณหาเกิดความอยากขึ้นมา เห็นกระเป๋าเดี๋ยวก็อยากจะไปซื้อกระเป๋าแล้วเห็นเสื้อผ้าก็อยากจะได้เสื้อผ้ามันไปทางกิเลสตัณหาทางนั้นถ้าปล่อยให้มันคิดมันจะคิดไปในทางกิเลสตัณหาถ้าดูมันก็จะดูไปในทางกิเลสตัณหาถ้าจะดูก็เปิดหนังสืออสุภะดูสิดูอตรับายใช้พุงดูอวัยวะต่างๆยุคดูโครงกระดูกดูอะไรอย่างนี้ถ้าจะดูให้มันเป็นปัญญาดูเพื่อให้จิตสงบก็ต้องดู ด้วยปัญญานี่คือการเจริญสตินะถ้าเราเจริญสติมีสติควบคุมความคิดได้เวลานั่งสมาธิมันจะไม่คิดมันจะพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบไปพอเรามีความสงบแล้วเราก็จะมีกําลังที่จะดึงจิตไปคิดในทางปัญญาได้พออกจากความสงบมาพอ จิตจะคิดไปในทางกิเลสก็บอกให้ไปไม่ได้นะต้องมาทางนี้พอคิดถึงอาหารก็ต้องคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากแล้วหรืออยู่ในท้องแล้วอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานพอคิดถึงแฟนก็คิดถึงซากศพของเขาบ้างคิดถึงตับไตไส้พุิของเขาบ้างถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทําลายตันหาความอยากได้ความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดกัน ปัญหาความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้เราต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใจกันไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นทํามาได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออยากจะได้อยู่เรื่อยๆอยากจะได้เพิ่มไปอยู่เรื่อยๆไปจนถึงวันตายพอตายไปแล้วก็อยากจะกลับมาเกิดใหม่อยากจะมาทําต่ออยากจะมาอยากต่ออยากจะกลับมาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อก็เลยทําให้จิตต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่ พอมาเกิดใหม่แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาพัดพาาจากกันใหม่มาร้องห่มร้องไห้กันใหม่นี่คือปัญหาของการที่ไม่มีสติถ้ามีสติแล้วก็จะมีสมาธิมีความสุขมีความอิ่มมีความพอก็จะมีกำลังสู้กับตัณหาความอยากต่างๆได้ก็จะสามารถใช้ปัญญามาระ ง, งับตัณหาความอยากได้ พอมีปัญญาแล้วตัณหาต่างๆก็จะหมดไปจากใจกามาตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็จะหมดไปจากใจพอหมดไปจากใจแล้วจะเหลืออะไรก็เหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความสงบที่เรียกว่านิพพานังปรมังสุญญงนิพพานังปรมังสุขขังนี้เองความสุขที่ยิ่งใหญ่ก็คือความว่างของจิตใจนี่คือความว่างปรา ffe. จจากกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหา อาชะจากความคิดปรุงแต่งไปในทางความโลภความโกรธความหลงจิตก็ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจิตก็มีความสุขของพระนิพพานเป็นที่อยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ่งสุดจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาบุกทั้งหลายนี้ไม่ได้หายไปไหนยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่มีร่างกายมาเป็นตัวแทนมาเป็นผู้รับใช้เท่านั้นเอง พราะไม่จําเป็นต้องใช้ร่างกายมาเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วเพราะมีความสุขที่ดีกว่าจากการทําใจให้สงบจากการระงับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่เองจึงไม่จําเป็นจะต้องมีร่างกายจึงไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนพวกเราถ้าพวกเรายังไม่กําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จะกลับมามีร่างกายอันใหม่ กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันใหม่กลับมาทรมานวุ่นวายกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกับการทำตามความอยากต่างๆแล้วก็ต้องมาเสียอกเสียใจเวลาที่สิ่งที่เราอยากได้มาต้องจากเราไปนี่คือปัญหาของการที่ไม่มีสตินี้นั่นเองถ้ามีสติแล้วปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะหมดไป เย็นขอให้เราให้ความสําคัญกับการเจริญสติให้มากเพราะสติจะพาให้เราได้ไปสัมผัสกับนัตสันติพลังสุขขังคือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพินิจ พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขที่จะเกิดจากความสงบที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ร่อนลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีความสงสัยอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วก็จะขอยุติเรื่องการถามตอบปัญหา ดังนั้นถ้าใครมีความความคิดอยากจะถามอะไรก็ถามได้ในช่วงนี้หรือถ้ายังไม่มีก็รอไปก่อนก็ได้เดี๋ยวถ้ามีก็ถามได้ตอนนี้ให้ทางบ้านส่งคำถามเข้ามาก่อนคำถามจาก a c e b o o k ค่ะคำถามแรกจากคุณฝนถ้าเราผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเผลอคิดว่าลูกเราจะแขนขาดจะเกิดไหมคะ เหมือนแม่แช่งลูกหรือเปล่าคะแต่ไม่ได้ตั้งใจคะ่ะมีคนถือน้ําพระหรือถวายอาหารเราเผลอคิดเหมือนเดิมว่าลูกเราโดนรถชนจะเกิดไหมคะจะเกิดถ้า <ขอ S 2> เกิดได้ก็ดีเลยคิดว่าเรารวยมันจะได้รวยนะความคิดมันก็เรื่องของความคิดเนยมันจะเกิดไม่เกิดมันไม่ไดีอยู่ที่ความคิดของเรา ถ้าเราความคิดเราแม่นก็คิดให้เราเป็นนายกคิดเป็นปนานาทิปดีไปเลยจะไปคิดให้ลูกเราตายทำไมใช่ไหมมันไม่ได้หรอกเรื่องของความคิดมันก็แค่เรื่องของความคิดเรื่องของความจริงมันต้องเกิดจากการกระทำเช่นอยากจะให้ลูกถูกรถชนตายก็พาไปเดินแถวสี่แยกนั่นแถวข้างถนนเดี๋ยวก็โดนชนตายคำถามจากคุณฮีรศักค่ะ เวลาที่นั่งสมาธิปวดขาจนเหมือนจะขาขาดจะอดทนอย่างไรให้เบาใจครับก็ต้องอยู่กับพุโทโธไปอย่าปล่อยไปคิดถึงความคิดเพราะไปคิดถึงความคิดมันจะเกิดความอยากให้หายแล้วมันจะทรมานใจแล้วจะทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ไปคิดถึงความเจ็บล้วอยู่กับพุโทโธพุธโทโธความทรมความทรมานใจจะไม่มีแล้วเราจะอยู่ความเจ็บได้เพราะความเจ็บมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทรมาน สิ่งที่ทรมานก็คือความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปจากคุณยุ่งฝ่าค่ะเมื่อปฏิบัติภาวนาจนเข้าใจว่าสัพสิ่งล้วนผ่านมาแล้วผ่านไปไม่มีอะไรที่ยั่งยืนจนปล่อยวางแล้วถ้าหากวันใดจะสิ้นลมก็ไม่ต้องพิจารณาสิ่งใดให้อยู่กับความว่างสงบหยุดการปรุงแต่งใดๆ ไม่มีอะไรกับอะไรเลยเช่นนี้ถูกต้องไหมครับถ้าทำได้ก็ดีกวถเงกเวื่อจะตายมันไม่มีสติสตังจะทาใจมันจะอยากให้หายอยากจะไม่อยากตายกันขึ้นมาอย่างก็ต้องซ้องตายดูก่อนว่าไปเจอความตายแล้วเราทำใจเฉยๆทำใจให้ว่างได้หรือเปล่าตอนนี้มันทำได้เพราะมันไม่มีเหตุการณ์มาท้าทายกับสติปัญญาของเรา เราต้องไปหาเหตุการณ์อย่างครูบาอาจารย์ท่านไปหาเสือหาสัตว์ในป่าก็จะได้ทดสอบสติปัญญาของท่านว่าจะสามารถทําใจให้ว่างให้ปล่อยวางได้หรือเปล่าถ้าเราอยู่ในที่ปลอดภยัยแล้วเราคิดว่าเราสามารถทําใจให้ว่างให้ปลอดภัยได้นีน่ยังไม่ใช่นะเพราะยังไม่ได้มีอะไรมาเป็นข้อสอบทดสอบสติปัญญาของเราว่าจะสามารถรักษาใจของเราให้ว่างให้สงบให้ปล่อยวางได้หรือเปล่า คำถามจากคุณจุธาทิพย์ค่ะทำยังไงให้มีส ต, ติตลอดเวลาและดับความโกรธได้คะให้พุโทโธไปตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ให้ท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจเวลาเกิดความโกรธก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธเดี๋ยวเดียวความโกรธก็จะหายไปคําถามจากคุณรัศมีค่ะ การที่เรานั่งสมาธิหรือพิพัฒนากรรมฐานต้องมีครูมีอาจารย์หรือเปล่าครับถ้าทำไม่เป็นก็ต้องมีคนสอนถ้าทาเป็นแล้วก็ไม่ต้องมีคนสอนเหมือนทำกับข้าวถ้าทาไม่เป็นก็ต้องไปเรียนก่อนว่าทำกับข้าวทำอย่างไรพอทำเป็นแล้วก็ไม่ต้องมีคนสอนคำถามจากคุณพิมพนาราแค่กราบก็เกิดสภาวะว่างคืออะไรคะ ก็ว่างมันจะคืออะไรมันก็ว่างคำถามจากคุณพักพรหนูเคยไปวัดแล้วพระลวนลามและบอกว่าต้องมาตอนกลางคืนจะแก้กรรมให้หนูไม่ไปที่นั่นอีกเลยหนูจะบาปไหมคะแต่หนูไม่เข้าวัดหนูก็ฟังธรรมฟังการปฏิบัติทางทีวีหรือโทรศัพท์ก็ได้ผลเหมือนกันอยู่ที่เราแต่ไม่อยากเข้าใกล้พระค่ะ เหตุการณ์คงนั้ น, นยังติดอยู่ที่ใจจะบาปไหมคะแค่โดนจับต้องร่างกายแต่เป็นการกระทาที่ตั้งใจของพระค่ะ อ, อ๋อเราไม่บาปหรกแต่พระท่านบาปนะท่านทำผิดพระวินัยออก็ไม่ควรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับภาพแบบนั้นถือว่าไม่ใช่เป็นพระที่สมบูรณ์คำถามจากคุณแพตตี้คะ่ะ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาย่อมได้อริยสัจสี่เป็นชั้นใดในการปฏิบัติข้าพเจ้าเห็นว่าในทุกขณะจิตภาวนากาหนดรู้・รูปนามกำกับขวาย่างสายย่างการระลึกรู้ก่อนรูปนามจะเกิดคือการกาหนดต้นจิตหากกาหนดจิตให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วความเห็นชอบนั้นแหละจะติดตามมาด้วย สัมมาสังกปโปสัมมาวายโอสัมมาอาชิโวสัมมาวาจามโมวาจามโมสัมมากรรมโตสัมมาสติสัมมาสมาธิคือการเจริญมรรคการกำหนดจิตนั่นคือสมูทัยดับสมุทัยทุกเกิดไม่ได้พบความอิ่มเ อ, อิบเป็นนิโรธการเจริญวิปัสนาคือการได้อริยสัจสี่อันเป็น พระราชนจกรเครื่องหมายแห่งพระพุทธองค์ความเห็นจากการปฏิบัติก็เข้าใจดังนี้แลเห็นถูกต้องไหมคะก็ดับความทุกข์ได้ก็ใช่ได้ดับกิเลสดับความโลภความโกรธความหลงดับความอยากความกลัวความรักความชังได้ก็ใช่ได้ดูตรงนั้นว่ายังรักยังชังยังกลัวยังหลงอยู่อ่ายังอยากได้ ยังอยากได้นู่นได้นี่ยังอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยู่หรือเปล่ายังทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าคำถามจากคุณเจบศิลาค่ะ ตอนยังไม่ได้ตั้งใจนั่งสมาธิตอนนอนจะไม่ฝันอะไรเลยหลับสบายแต่ช่วงเริ่มนั่งสมาธิจนถึงตอนนี้ตอนนอนจะฝันทุกวันเลยพอตื่นมาตอนเช้าบางวันนั่งได้บางวันนั่งแบบฟุงฟ้งๆอยากทราบวิธีปฏิบัติต่อไปค่ะก็ต้องอยากให้มันฟุงง้งเลยต้องมีสติคอยควบคุมใจพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดปรุงแต่ง นั่งแบบไม่มีสติมันก็ฟงมันก็ฝั น, นเวลานั่งต้องนั่งเพื่อควบควบคุมความคิดจิตถึงจะสงบถ้าจิตสงบแล้วมักจะไม่ค่อยฝันเท่าไหร่ถ้าฝันก็แสดงว่าจิตไม่สงบไม่มีสติคอยควบคุมความคิดมีใครอยากจะถามแถวนี้ัหมผู้มาใหม่ก็ถามได้นะ ก็เราถ่ายทอดสดทุกวันในช่วงนี้ช่วงบ่ายสองโมงถึงสี่โมงโดยประมาณก็จะมีการถ่ายทอดผ่านทาง YouTube และผ่านทาง f เ o ซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังเก็บไว้ให้ดูย้อนหลังได้เข้าไปดูในวิดีโอเดี๋ยวนี้จะมีวิดีโอที่ถ่ายทอดสดไว้นี้ทุกวันเก็บเอาไว้ก็สา ม, มารถติดตามได้ เวลาดูการถ่ายทอดสดก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้อย่างที่ตอนนี้กำลังมีท่านที่กำลังติดตามสดอยู่กำลังเขียนข้อความส่งเข้ามาเดี๋ยวจะให้าตากร้องช่วยอ่านคำถามคำถามาจากทางคุปไลน์ก่อนนะครับคาถามจากคุณปุณรัตน์นะครับเมื่อนั่งภาวนาแล้ว เมื่อสงบดีลมหายใจหนึ่งคล้ายไม่มีร่างกายและมีแสงสว่างอยู่ประเดี๋ยวี่ฉันทำถูกทางไหมคะก็ถ้ามันสงบมันไม่คิดปูงแต่งอะไรก็ถูกทางแต่มีแสงหรือไม่มีแสงนี่ไม่สำคัญสำคัญก็คือให้จิตนิ่งให้สบายเย็นมีความสุขไม่คิดปรุงแต่งให้ดูตรงนั้น ถ้ายังคิดปรุงแต่งอยู่ก็ใช้สติหยุดมันต่อไปอย่าปล่อยให้มันคิดคำถามจากคุณหญิงนะครับหากร่างกายตายลงในขณะที่จิตบริกรรมพุทโธอยู่จิตจะสามารถบริกรรมพุทโธได้ต่อเนื่องไปอีกหรือไม่คะก็อยู่ที่กำลังของสติว่าจะอยู่ จะพุโทโธต่อไปได้หรือไม่เพราะบางทีพอมันเจ็บปับ๊บมันก็เริ่มสติก็เริ่มสั่นไปถ้าสามารถประคับประคองสติไปเรื่อยๆก็ยังทำได้อยู่ร่างกายตายไปหมดลมหายใจจิตก็ยังมีสติควบคุมใจได้เพราะสติไม่ได้อยู่ที่ร่างกายสติอยู่ที่ใจนั้นอยู่ขึ้นอยู่ที่กําลังของสติว่ามีมากมีน้อย ถ้าสติมีกําลังมากเวลาตายก็จะตายอย่างสงบตายอย่างสบายจิตจะไม่ปรุงแต่งจิตจะไม่เครียดจะไม่ทุกจะไม่กลัวอะไรแต่ถ้าไม่มีสติควบคุมเดี๋ยวความคิดปรุงแต่งมันก็จะโผล่ขึ้นมาความอยากความกลัวอะไรต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาฉั้นต้องพยายามเจริญสติให้มีกําลังมากๆเพื่อที่จะทําให้จิตสงบได้ในทุกเหตุการณ์ คำถามเจ้าคุณพิมพ์นะครับชอบตื่นมานั่งสมาธิตอนตีสี่ตีห้าแต่เมื่อวานนั่งรู้สึกอิดอัดนั่งไม่ได้เลยนั่งไม่ไปกำลังคิดว่าจะลุกขึ้นแต่บางอย่างลุกขึ้นจากตัวก่อนเสียงเดินออกทางประตูเลยลืมตา ม, มองในห้องก็ยังหลับกันอยู่เงาผู้ชายอันนั้นคืออะไร ก็คือเงาที่เราเห็นนั่นแหละจะคืออะไรไม่ถามมันมาถามเราทำไมเฮ้ยเป็นใครเว้ยบางทีมันก็อุปทานมีอะไรวับวับไว้หน่อยก็คิดเป็นอะไรไปบางทีจิตมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาหลอกจิตเอง ท่าให้ใช้ปัญญาคือเห็นอะไรก็ให้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ดับไปถ้าไปยุ่งกับมันก็จะทุกข์ถ้าไม่ยุ่งกับมันก็จะไม่ทุกข์มันปล่อยมันไปมันผ่านไปแล้วไม่ต้องไปสนใจคำถามจะคุณรัดสเลตนะครับ เป็นโรคกดใหญ่ไอไหลย้อนทําให้บางครั้งมีผลต่อการปฏิบัติจะมีหลักธรรมข้อใดที่จะสามารถเอาชนะอาการป่วยเหล่านี้ได้บ้างครับก็ยอมตายพระบางรูปนี้ท่านบนรรลุในปากเสือต้องโดนเสือกัดก่อนถึงจะปล่อยร่างกายถึงจะบรรลุได้ถ้ายังไม่ตายมันยังไม่ยอมปล่อยพอรู้จะใกล้าตายมันยอมปลงปล่อยได้มันก็บรรลุได้ เห็นถ้ามันเป็นกฎหลายย้อนก็อยา่าไปรักษามันยอมตายไปเลยถ้ายอมตายเพราะมันก็จะลุได้เลยบรรลุผลได้เลยปล่อยวางร่างกายได้คำถามจะคุณเปาะนะครับเวลานั่งสมาธิจะมีช่วงเวลานิ่งสงบไม่มีความคิดแต่เป็นเพียงระยะสั้นๆ ความคิดก็เกิดขึ้นเมื่อรู้ว่ามีความคิดความคิดก็หายมานิ่งสงบแต่เพียงชั่วครู่ความคิดก็มาอีกเป็นอย่างนี้สลับไปมาตลอดเวลาขอคําแนะนําด้วยค่ะสติเราไม่ต่อเนื่องไงถ้าเป็นรถก็เหมือนไม่เหยียบเบรกตลอดเวลาเวลาเหยียบเบรกรถกระจอดพอปล่อยเบรกรถก็วิ่งพอเราปล่อยสติพลศติปั๊บมันก็คิด พอเราดึงสติกลับมามันก็หยุดคิดงั้นพยายามให้มีสติอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วมันก็จะสามารถควบคุมความคิดได้อย่างต่อเนื่องพุทโธไปพุทโธไปเรื่อยๆคำถามจากคุณจงสินีนะครับแต่ก่อนคิดว่าเลี้ยงกุมาลแล้วจะมีโชคลาภแต่ตอนนี้คิดว่าคิดดีทำดีจะให้โชคลาภที่แท้จริง โนคิดถูกไหมคะคิดดีทดําดีพูดดีจะให้ความสุขซึ่งถือว่าเป็นโชคลาภดีกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแต่ถ้าคิดดีพูดดีทดําดีเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็อาจจะผิดหวังได้เพราะคนคิดดีพูดดีทดําดีอาจจะไม่ได้อาจจะไม่รั่ารวยก็ได้เพราะมันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้นั่มรวยคนที่จะรั่ารวยมีโชคนี้ก็มันเกิดได้หลายทาง โกงเขาก็รวยได้ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นการคิดดีพูดดีทำดีนี้เพื่อให้เรามีโชคครลาบทางจิตใจคือให้จิตใจเรามีความสุขเมื่อเรามีความสุขเราจะรู้สึกว่าเรารวยยิ่งกว่าคนที่มีเงินมากกว่าเราเป็นร้อยล้านพันล้านใชคําถามจากด็เตอร์พิสิทธิ์การนั่งสมาธิที่ถูกต้องนั่งพิงได้หรือไม่ครับ อ่อไม่ควรเพราะพิงมันจะอยู่ในท่าสบายมันจะทำให้เผลอสติแล้วจะหลับแทนที่จะสงบมันจะหลับนั้นจึงต้องนั่งในท่าที่ไม่ต้องมีอะไรพิงนั่งท่านั่งแบบหลังให้ตรงแต่ไม่ต้องเกรง็งนั่งแล้วก็ให้ตั้งสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้แล้วเดี๋ยวจิตก็จะสงบเอง แต่ถ้านั่งพิงหรือนอนเนี่ยมันจะหลับเพราะมันสบายสยติมันจะอ่อนคำถามจะคุณพานุวัต์ความหลงคืออะไรครับคือความเห็นผิดเป็นชอบไงเห็นสิ่งที่ไม่ตรงตามกับความเป็นจริงเช่นเห็นชายเป็นหญิงเห็นหญิงเป็นชายเห็น เห็นสุนักเป็นแมวเห็นแมวเป็นสุนัขยนีเรียกว่าความหลงถ้าในทางศาสนาก็หมายถึงเห็นทุกเห็นสุขเป็นทุกเห็นของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราเรียกว่าเห็นว่าความหลงผิดเราจึงต้องมาแก้ให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราทุกอย่างเป็นทุก์จะได้เห็นตามความเป็นจริงที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้เราก็จะอยู่เฉยๆได้ที่เราอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะเห็นว่ามันเป็นสุข<ม>ก็เลยอยากได้<ม>พออยากได้มาแล้วก็มาล้องห่มล่องให้ในภายหลังเพราะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็จากมาไปพอจากไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ความหลงมันทําให้เรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรา นี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันใครมาที่นี่ขอให้ปิดเครื่องหน่อยนะอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อจะได้ไม่รบกวนกันทั้งสัญญาณทางเสียงมันบางทีมันชนกันแล้วเสียงที่มารบกวนความสงบคำถามจากคน จ, จ, จีจี้นะครับถ้าเราตกเป็นแพะ รับบาปทั้งๆ ท, ที่เราไม่ผิดโดยรู้ตัวคนที่โยนความผิดให้เราแต่จำเป็นต้องทำงานด้วยกันตลอดเราควรจะทำอย่างไรดีคะก็ให้อภัยก็คิดว่าเป็นการาทำบุญไปก็แล้วกันเป็นการเสียสละจากะแปลว่าเสียสละเป็นบุญเป็นกุศล คำถามนี้มีผู้ฝากถามมาเมื่อเช้าครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเตรียมอาหารใส่บาตรแล้วแต่พระไม่มาอาหารที่เขาบอกว่าเขาจบแล้วเนี่าเราสามารถนามากินได้ไหมครับได้ก็ยังไม่ได้เป็นของพระยังไม่ได้ทำเพียงแต่เตรียมตัวที่จะถวายแล้วไม่มีพระมาถ้าเราเอาไปให้คนอื่นก็ยังได้บุญอยู่แต่ถ้าเรามากินเองก็ไม่ได้บุญเอาไปให้คนอื่นใครก็ได้ เห็นขอทานเดินมาก็ให้มันไปเลยพระกับขอทานก็ฐานะเดียวกันในเรื่องของอาหารเหมือนกันพระก็เป็นขอทานพ่อก็ไปพระก็ไปขออาหารเนี่งแต่ว่าฐานะอื่นมันต่างกันขอทานไม่มีศีลพระมีศีลมันต่างกันแต่ฐานะของเรื่องการขออาหารนี้เท่ากันพระก็ต้องไปขอทานไปขออาหารจากญาติโยมทุกวันดังนั้นญาติโยมให้อาหารกับพระหรือให้กับขอทานก็ได้บุญเท่ากันไม่ต่างกัน เพียงแต่ว่าประโยชน์ของขอทานกับประโยชน์ของพระที่จะทําให้กับญาติโยมนี้อาจจะต่างกันนะถ้าทําบุญกับพระแล้วก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะได้ปัญญาทําบุญกับขอทานเขาก็จะไม่มีปัญญาจะให้เรานอกจากจะขอขออย่างอื่นเพิ่มขึ้นไปอีกก็ต่างกันแท่ตรงนั้นแต่ความสุขใจที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่นนี้ก็เหมือนกัน คำถามจากคุณพานุวัตรนะครับบริกรรมพุทโธต้องสัมพันธ์กับลมหายใจเข้าออกหรือเปล่าครับอันนี้แล้วแต่บางความจริงการภาวนาจริงๆไม่ต้องใช้สองอย่างปนกันใช้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะบริกรรมพุทโธก็ไม่ต้องสนใจเรื่องลมเลยหรือถ้าจะดูลมก็ไม่ต้องใช้พุทโธให้ดูลมไปอย่างเดียว แต่บางคนเขารู้สึกว่าดูลมแล้วมันไม่ยอมหยุดคิดก็เลยเอาพุโทโธมากรรมกลับอีกชั้นหนึ่งก็ทําได้ดังนั้นบางคนก็หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธหรือบางทีบางคนก็ว่าพุโทโธไปพร้อมกับหายใจเข้าพุโทโธไปพร้อมกับหายใจออกอย่างนี้ก็ได้แต่มันจะมีปัญหาเวลาที่บางทีจิตเราฟุ้งมากเราอยากจะบริกรรมให้มันถี่เพื่อหยุดความฟุ้ง เราก็จะไม่สามารถทําได้ถ้าเราไปผูกไว้กับลมอย่างนั้นเราก็ต้องอปล่อยลมไปถ้าเราอยากจะบริกรรมให้ถี่ขึ้นให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้หยุดความคิดปรุงแต่งที่คอยแทรกเข้ามาตอนนั้นเราก็อย่าไปผูกพุธโธไว้กับลมให้พุธโธพุธโธไปอย่างเดียวเหมือนกับเราสวดมนต์อยนี้ว่าพุธโธพุธโธไปให้เร็วขึ้นจะได้ไม่มีความคิดต่างๆแทรกเข้ามาได้คําถามจากคุณอดิเลกนะครับ การปล่อยสักน้ำลงไปในบ่อหรือแม่น้ำนั้นจะได้บุญใหม่ครับก็ถือว่าได้ถ่ายชีวิตเขาโดยถ้าเป็นปลาเปิดที่เขาจะเอาไปฆ่าแกงนี้เราไปซื้อมาจากตลาดแล้วเราก็าไปปล่อยเขาก็จะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปก็เหมือนกับภัยโทษนี่นักโทษที่เขาจะประหารชีวิตก็เราก็ไปถ่ายชี เราก็พระนหลวงบางทีท่านก็อาผายาโทษยกโทษให้ไม่ต้องถูกประหารชีวิตคําถามจากท่านเดิมนะครับการทําบุญให้กับบรรพบรุษที่ล่วงรับไปนานแล้วนั้นเขาเหล่านั้นยังได้รับบุญใหม่ครับไม่แน่นอนแล้วแต่สถานะภาพของเขาว่าเขาตอนนั้นเป็นอะไรถ้าเขาเป็นเปรต เ, เขาก็จะได้รับ ถ้าเขาเป็นอย่างอื่นก็จะไม่ได้รับเป็นเทวดาเขาก็มีบุญเยอะแยะถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์เขาก็ไปหากินของเขาเองได้ไปเป็นเดรัจฉานเขาก็หากินของเขาได้ถ้าไปตกน้กก็ไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้ต่นนั้นเพราะทุกทรมานใจมากฉงนั้นผู้ที่จะรับบุญได้ก็มีพวกเดียวที่เรียกว่าเปรต คือพวกขอทานทางจิตวิญญาณพวกนี้เวลามีชีวิตอยู่ไม่ได้ทําบุญเลยไม่มีบุญติดตัวไปแต่ถ้าตายไปนานแล้วอาจจะไปเกิดเป็นอะไรก็ได้หรืออาจจะกลับมาเป็นเปรตใหม่ก็ได้ตายแล้วไปเกิดใหม่แล้วกลับมาเกิดแล้วกลับมาเป็นเปรตก็ได้ดังนั้นมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนสาหรับผู้ที่จะรับบุญนอกจากว่าเขามาขอโดยตรง เช่นเขามาเข้าฝันเราขอให้ช่วยส่งบุญไปให้เขาเอย่างเนี้ยเราก็จะรู้ว่าเขาได้รับเนี่ยถ้าเราส่งไปให้เขาแต่ถ้าเราคิดขึ้นมาเองคิดถึงเขาเองแล้วก็อยากจะทําบุญให้กับเขานี่ก็ทําได้แต่เขาจะรับหรือไม่รับเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะ แต่ทําไปก็ทุกครั้งที่ทําบุญก็ให้อุทิศไปถ้าไม่อุทิศกับคนที่เราลักเราเขารบก็อุทิศให้สรัรพสัตวไปก็ได้เจ้ากรรมนายเวรเผื่อเขาจะได้ไม่มาจองไว้จองเวรจองกรรมกับเราก็ได้คําถามจ้าคุณชูศักนะครับเพื่อนเป็นกระเทยอยากบวชถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงจะได้ไหมครับอันนี้เราไม่เคยรับบวชคนเลเราไม่รู้ว่า เป็นคุณสมบัติที่ต้องห้ามหรือเปล่าอันนี้ต้องไปไปติดต่อกับพระที่เขารับบวชดูแล้วเขาจะตอบมาได้แต่เท่าที่ฟังดูมันน่าจะไม่ไดนะ้เพราะว่าคนที่เป็นกระเทยก็เป็นคนชอบเพศเดียวกันแล้ว เ, เดี๋ยวเกิดไปอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ยุ่งกันไปทําผิดศีลกันเพราะมันอยู่ใกล้กันเพราะว่าเราอยู่วัดนี่เราต้องแยกเพศกัน เพศหญิงก็อยู่ฝั่งหนึ่งเพศชายก็อยู่ฝั่งหนึ่งไม่ให้อยู่ใกล้กันมันเหมือนน้ำมันกับไฟไม่ให้อยู่ใกล้กันเพราะมันมีโอกาสที่จะปะทุขึ้นมาได้ง่ายอันนี้ไม่ได้รังเกียจความเป็นกระเทอหรือไม่เป็นกระเทยแต่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้ศาสนาเสื่อมเสียทำให้ผู้มีศรัทธาเสื่อมศรัทธาได้ผู้ไม่มีศรัทธาก็จะไม่ศรัทธาฉนั้นก็ขอให้เข้าใจดังนี้ พรสมัยนี้ยุคนี้เขาถือเป็นยุคมีความเสมอภาคในสิทธิ ท, ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนสามารถที่จะเป็นพระได้หมดผู้หญิงก็อยากจะเป็นภิกษุณีก็เธอก็อยากจะบวชพระแต่เขาไม่รู้ว่ามาบวชแล้วมันจะทําให้เกิดความเสียหายต่อศาสนาต่อไปศาสนาแทนที่จะเจริญ ง, งูเงือกอาจจะอาจจะเสื่อมและหมดไปได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น นี่เป็นสาเหตุที่ตอนต้นพระพุทธเจ้าไม่อยากจะบวชให้ผู้หญิงเพราะบวชให้ผู้หญิงก็ต้องใกล้กับพรนะเพราะพระก็ต้องคอยสั่งสอนภิกษุณีแล้วอยู่ใกล้ๆกันเห็นหน้ากันบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เกิดความเวลาก็มีความว้าเวขึ้นมาเดี๋ยวก็อาจจะสลิปวอลเดินไปหากัน <laughs> <laughs> <laughs> ไม่มีสติไงสลิปว อ, อ ก, กรอป่ถ้าไม่มีสติเนี <laughs> ่ยหมายก็ว่า ตอนนี้เครื่องที่ใช้ถ่ายทอดเสียงมากระโจนมันแัดหมดใช้มาหลายปี้วต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนดัดถ้าเปลี่ยนดัดไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องดีศรัทธาของท่านถวายเครื่องมาให้แต่ไม่ต้องอขึ้นถี่ถวายมาแล้วถ้าขึ้นถี่ไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้ขอให้ติดตา ม, ามทางเจ้าหน้าที่ก่อนว่าใช้ขื้นถี่หมายได้ที่เท่าไหร่ เพื่อที่จะได้ใช้ได้เพราะคราวที่แล้วมีคนหนึ่งมาถวายาไว้สิบเครื่องใช่ไหม <12 S 1> แต่สนะิบสองเครื่องแต่ความถี่ไม่ตรงกันก็เลยใช้ไม่ได้ก็เลยต้องเอาไปบริจาคแต่ไม่เป็นไรหรอกทางเราก็มีมีศรัทธาญาติโยมถวายปัจจุบปัจจัยไว้อยู่เรื่อยๆอยิ่งั้นถ้าเราต้องการจะซื้อก็หาซื้อเองได้เพียงแต่บอกให้ทราบเท่านั้นเองว่าถ้าอยากจะถวายเครื่องให้มาถามก่อนว่าเราใช้ความถี่เท่าไหร่ จะได้ใช้เครื่องที่เป็นความถี่เดียวกันจะได้ใช้ได้คำถามจากคุณพาวนพาวนานะครับมีวิธีลดกรรมให้เบาบางลงได้บ้างไหมคะก็อย่าทำกรรมเลยแล้วเดี๋ยวกรรมเก่ามันก็ค่อยๆหมดไปเหมือนนี่ถ้าเราใช้แต่ใช้นี่เราไม่ไปสร้างนี่ใหม่เดี๋ยวนี่ที่มีอยู่มันก็หมดแต่ถ้าเรายังไปกู้นี่ยืมสินอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่มีวันหมด กรรมก็แบบเดียวกันกรรมเก่านี่เป็นเหมือนหนี้เก่าที่เราทำไว้เราก็ต้องชดใช้ไปเรื่อยๆแล้วหนี้ใหม่เราก็อย่าไปสร้างมันขึ้นมากรรมใหม่เราก็อย่าไปสร้างมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวต่อไปกรรมเก่ามันก็จะหมด คำถามฝากถามเจ้าคุณอัญญมณีนะครับหนูชอบปฏิบัติธรรมมากแต่ยังไปไม่ถึงไหนตอนนี้ก็ยังมีเรื่องทุกข์ใจอีกหนูอยากไปนิพพานมากค่ะหนูจะต้องทำอย่างไรบ้างคะก็ฟังเทศวันนี้นะจ ะ, จะสอนวิธีให้ไปนิพพานต้องหากุญแจสตาร์ตรถให้ได้ก่อนกนะุญแจที่สตาร์ใจให้เราไปนิพพานนี้ก็คือสติ พยายามสร้างสติขึ้นมาให้พุทโธพุทโธไปทั้งวันแล้วเราจะนั่งสมาธิทำจิตให้สงบได้แล้วเราก็จะเจริญปัญญาได้แล้วเราก็จะตัดกิเลสตัณหาได้เราก็จะไปถึงนิพพานได้ยันขอให้เราหากุญแจดอกนี้ให้เจอคือสติพยายามให้มีสติมีกําลังที่สามารถอยู่ความคิดปรุงแต่งต่างๆได้แล้วรับรองได้ว่าไปถึงนิพพานได้อย่างแน่นอน พระพุทธเจ้าทรงรับประการไว้เลยไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเนี่ยในสติปฐานสูตรเนี่ยสติปฐานสูตรก็เป็นพระสูตรที่ทรงสอนให้เจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาคำถามจากด็ตอร์พิสิทธ์นะครับ การนั่งสมาธิแล้วรู้สึกสงบเป็นสุขจนรู้สึกอยากนั่งนานๆ น, น, นั่งบ่อยๆวันไหนที่ไม่ได้นั่งก็รู้สึกว่าเสียดายแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ถูกต้องที่ดีใหม่ครับหรือเป็นความอยากที่ต้องควบคุม อ, อ่าเป็น เป็นสิ่งที่ดีความอยากที่จะนั่งสมาธิความอยากที่จะสัมผัสกับความสงบนี้เป็นไม่เป็นพิษเป็นภัยเพียงแต่ว่าเวลาที่อยากแล้วไม่ได้นั่งก็ต้องทําระงับความอยากไว้อย่าให้มันสร้างความไม่สบายใจขึ้นมาเพราะว่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อเรารู้ว่าเรายังตอนนี้นั่งไม่ได้เราก็เราก็อยากไปอยากนั่งแต่พอเวลามีเวลาว่างนั่งได้ก็อยากนั่งไป มันต้องรู้จักประมาณเหมือนกันความอยากนี้ไม่ว่าจะความอยากในการทำความดีถ้าอยากแล้วบางทีไม่ได้ทําก็เสียใจได้แล้วถ้าเสียใจก็แสดงว่ามากเกินไปแล้วปัญหาไม่ได้ที่การทำความดีปัญหาย่ที่ความอยากทาแล้วไม่ได้ทำเฉ่นเวลาอยากทาแล้วไม่ได้ทำดัง น, นั้นก็อย่าพึ่งไปอยากเราให้มีเวลาทาได้ก่อนแล้วค่อยไปอยากคาถามหมดครับอาจารย์ มีใครอยากจะถามอีกไหม เ, ออเราก็ใกล้เวลาที่เราจะได้พักผ่อนหลับนอนกัน <c oughs> ถ้าไม่มีอะไรก็ขอยุติการอ่ามีคออ่าคุณ ต, ตาของใหรบางนะมาทางนี้มาทางด้านหน้าเพรานะพอจะพอจะปิดฉากก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยขับเรียนถามพระอาจารย์ เกี่ยวกับเอธรรมเนียมปฏิบัติของเพศชายที่ขึ้นมาบนเขาที่ต้องการปีกวิเวกแต่ไม่ได้มารบกวนแบบกุฏิแต่ว่ามาแค่เอากดมากับเสืออ๋อไม่ได้หรอกที่นี่เขาไม่เปิดโอกาสให้คนทําอย่างอิสระเออันนี้ต้องมาขอติดต่อกับพระถ้ามีที่ให้อยู่ถึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีที่จะมาปากเองไม่ได้เพราะมันจะรบกวนมันจะทําให้ที่ไม่วิเวกน เราต้องหาที่วิเวกที่ไม่มีใครมาเห็นกันะที่มันจึงมีน้อยไม่ใช่าใครอยากจะมาปักกฎตรงข้างศาลาก็ปักกันงี้ไม่ได้เรอาอทำเนียมคือต้องมาติดต่อไวออ้ต้องมาขออนุญาตจากพระถ้ามีที่ว่างก็อยู่ได้ถ้าไม่มีที่ว่างก็อยู่ ไ, ไม่ได้เพราะที่ข้างบนนี้เป็นที่ของพระเป็นหลักแต่บางทีก็มีที่ว่างก็ถ้าใครอยากจะอยู่ก็ให้อยู่ได้แต่อยู่ได้ชั่วคราวแล้วมาต้องมาคนเดียว